มันน่ากลัวตรงที่ในสังคมนี้คนที่ภาพดีๆนะคนที่ภาพพอดีๆมันกินเลือดกินเนื้อคนอื่นเนี่ยคนไม่ระวังนักกลัวอย่างถ้าสมมุติบ้านไหนของหายเจ้าของรู้ว่าของหายแล้ววิ่งออกมาหน้าบ้านนะเห็นคนสองคนกำลังเดินไปจากบ้านตัวเองคนหนึ่งเดินไปขึ้นรถเก๋งอีกคนหนึ่งเดินกระต๊อกกระยักกัไป ต้องจับไอ้คนจนไว้ก่อนเงือ น, นผู้ร้ายในคราบผู้ดีมันถึงน่ากลัวผู้ร้ายในคราบนักปฏิบัติในนี้น่ากลัวที่สุดเลยทำลายศาสนาอไปถึงไหนละเมื่อเช้าเอาว่าไปครับก็ที่ช่วงที่ผ่านมานี่ถูกกิเลสละลหกไปเยอะครับ ม, มันลากไ ป, ไ, ปไหนละ่ะ ลกไปดีไหมลากไปไม่ดีครับหน้าที่ของกิเลสต้องกเราไปไม่ดีครับหน้าที่ของเขาอย่าไปเกลียดเขานะเราทำหน้าที่ของเขาอย่างซื่อตรงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกิเลสก็มีหน้าที่กเราไปอบายงานของเขาหน้าที่เราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ได้กิเลสบางตัวหน้าตาจุ๋มจิ๋มนะบางตัวหน้าตาดูร้าย <c oughs> กิเลส ท, ที่หน้าตาหวานหวานนี่น่ากลัว พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไงในคำภีร์ชั้นหลังๆนัเขียนลงพญามารเนี่ยเศร้าโศกเมื่อพระพุทธเจ้าพ้นอำนาจพญามารแล้วพญามารไปนั่งอยู่ที่พื้นดินเอานิ้วขีดดินเล่นแบบสิ้นหวัง <c oughs> <c oughs> น่ารักดีนะขีดอะไรเละสิ้นหวังลูกสาวชื่อนางตันหาหนางราคานางอารตี ก็มาถามว่าพ่อเป็นอะไรเนี่ยเสียใจพระโคดมพ้นไปแล้วนั่งคิดดีเสง่นุ่งสาวเดี๋ยวจัดการให้นี่นางตันหาขึ้ความอยากนั่นเองพยายามไปยั่วยวนพระพุทธเจ้านางราคะนางอรารติอรารติก็คือโทสะนั่นเองนางตันหานางราคะเนี่ยมาถึงก็จะมายิ้มหวานใส่มาชวนพระพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ นรารติมาถึงทำหน้าบึ้งใส่ทำงอนสะบัดสะวิ้งไปมาเนี่ยเนี่ยเขาเขาสร้างเขาเรียกว่าบุคคลาธิตสถานสร้างให้ธรรมะให้เป็นตัวคนขึ้นมาเนีกิเลสเลยมีหลายแบบบางตัวหน้าตาน่ารักบางตัวหน้าตาดูร้า ย, ยแต่ทุกตัวทำหน้าที่เดียวกันคือทำหน้าที่ให้เราเคลื่อนออกจากรัตนบัลลังก์ของการตรัสรู้ให้เราเลิกภาวนาอย่าไปเชื่อมันนะ ใใหม่ๆก็เชื่อบ้างเพราะว่าถูกมันหลอกคอยรู้ทันไปนะ ร, รู้ทันเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพเจ้าชนะไปแล้วเราก็ต้องเดินตามนะสู้ไปไม่ทออถอยมีอะไรอีกไหมขอบคุณครับไม่มีนะครับสงสารพญา ม, มารไม่นั่นฉิบ <laughs> <laughs> ต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งลัสวัดตีมัน กับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะช่วงสองอาทิตย์นี้รู้แต่แบบซื้อบือ้อไปกดมันไม่ได้ค่ะแล้วมันจิตมันจ้าออกไปค่ะแล้วก็อย่างภวังที่ที่ระหว่างจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งเนี่ยคะ่ะหลวงพ่อระวังตัวนี้มันมีมีไหมคะที่ว่าจะเหมือนกับแบบมันนานนะคะมีนานเท่าไหร่ก็ได้ รวังเนะื้ระวังขจิตเนื้อเกิดซ้ําๆๆๆๆยาวได้เป็นมันๆแต่หมายถึงในในชีวิตประจําวันที่เรารู้อารมณ์ตัวหนึ่งดับไปไม่ใช่ไม่ใช่อ้ น, นั้นไม่ใช่รวังละค่ะจิตไปเกาะอยู่กับความว่างๆมากกว่าอ๋อติดในความว่างใช่ไหมคะ<อ>ในการที่เรารู้อารมณ์ตัวหนึ่งแล้วที่มีรวังข้ามก่อนแต่ที่เราจะไปรู้อารมณ์ตัวใหม่ตรงรวังเนี่ยนะจิตมันตัดกระแสตัดวิถีของการรับรู้อารมณ์แวบลงไปแล้วก็ขึ้นมารับอารมณ์ใหม่ค่ะ ถ้าแวบลงไปแล้วหายไปนานยังไปนอนหลับอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราเหมือนกับรู้สึกอยู่หน่อยๆแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนมากจิตติดอะไรเข้าแล้วอันนี้คือติดในความนิ่งนะคะติดความนิ่งติดความเงียบติดความสงบช่วงนี้จะค่อนข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะเลยประมาณติดซื่อบื้อไปนิดนึงเวลาเขาลงไปเพื่อพักผ่อนเนี่ยไม่ว่าเขา บางครั้งจิตต้องการพักผ่อนจิตก็ลงตรงนี้ยาวหน่อยอแต่ว่าพอเขาขึ้นมาแล้วรีบตามรู้ไปแต่ถ้านั่งมาหลายวันแล้วก็อยู่แต่ตรงนี้วนะก็ะต้องพยายามกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวเดินจงกลมอะไรให้มากๆากหน่อยยังไม่มีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมไปจากนี้นะค ะ, อะขอบคุณ<า>ค่ะบางช่วงที่เราภาวนานะจิตมันเดินสติเดินปัญญาเต็มเหนียวแล้วแล้วอยู่ๆมันหยุดพักไปเฉยๆนะ หยุดนั่งนั่งทีไรเหมือนหลับในทุกทีเลยหลับงอกแงกงอกแงกงอย่างหลวงพ่อหัดภาวนาไม่เคยหรอกนะนั่งหลับแต่ไหนแต่ไรนะมีอยู่ช่วงหนึ่งปี26นั่งทีไลหลับอยู่ได้เป็นเดือนแตไม่ใช่หลับทั้งเดือนนะจห็ถึงว่าตลอดเดือนนั้นพอลงมือนั่งทีไรก็หลับทุกทีเลยหลับแล้วไม่เคยหลับแบบขนาดนั้นมาก่อนหลับแบบสิ้นสภาพเลยหัวตกหัวห้อย แข้งขาเหยียดไปเลยนะไม่เป็น ไ, ไม่เคยเป็นโอ้กลุ้มใจนะจะทํำยังไงทําไมเราขาดสติร้ายแรงขนาดนั้นเนี่ยไม่เข้าใจการปฏิบัติหาทางทํำยังไงดีเนาะไปเดินโจงกรมเดินก็เดินหลับอีกนะ่าทำได้นะเดินหัวโขกฟ้าโป้งโอ้แย่จังนั่งขัดสมาธิเพชรเอาอย่างหลวงปู่สิมขัดสมาธิเพชรใครเคยทํำไหมใครเคยทําเรศอร่อยมากนะ ใครไม่เคยไปลองดูแต่ถ้ากระดูกเปล่าอย่าทำนะโอ๊ยปวดธรรมดานั่งขัดเพชรมไม่หลับคราวนี้นั่งขัดเพชรก็หลับมันทั้งขัดเพชรนั่นแหละอัศจรรย์ามากเลยจนปัญญาละไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีพอดีขึ้นไปเชียงใหม่ขึ้นไปเชียงใหม่วันอาสานหาพอดีเลยขึ้นไปทําผาปล่องไปถึงก็ไปกราบหลวงปู่สิมตอนนั้นคนยังไม่มากนักนะหนาดวันอาสานหาวันอะไรเงี้ยคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ ไปกราบท่านเล่าให้ท่านฟังแล้วบอกผมจะทำยังไงดีท่านไม่บอกนะว่าทํายังไงท่านบอกแค่ว่าผู้รู้ผู้รู้อย่าสงสัยเลยทําไปเถอะเดี๋ยวจะได้ของดีในพันศา น, นี้แหละ <c oughs> คือกระบวนการของจิตใจเนี่ยพะเรายัางไม่เข้าใจนะบางช่วงมันเกิดสภาวะที่แปลกๆ ก, ก็ไปถามครูบาอาจารยา์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ลำบากหน่อยต้องค่อยสังเกตเอา ไม่มีอะไรดีกว่าความช่างสังเกตนะแต่ความช่างสังเกตถ้าใช้มากไปกลายเป็นความฟุ้งซ่านต้องระวังเหมือนกันของคุณต้องระวังฟุ้งซ่านนะมันร่อแหลมมันร่อแหลมที่จะฟุง้งง่ายนะนี่ช่วงไหนมันฟุ้งสุดขีดไปแล่อีกช่วงหนึ่งมันเบี่ยงกลับข้างเลยมันนิ่งสุดขีดไปเลยจะเป็นจังหวะของมันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาไม่ต้องตกใจหรอกแต่ถ้ามันเกิดเบี่ยงไปแล้วไปค้างอยู่กับความเฉยเฉยนั่นมีปัญหาแล้วค่อยว่ากันไหม สงไปช่วงนี้ซึมมัวแล้วก็ไม่สดชื่นค่ะทำไมล่ะทราบยิ้มไว้สิถยวก็สดชื่น <c oughs> ไม่ทําใจเหี่ยวเหียวมันก็ไม่สดชื่นสินะ <c oughs> ต้องเอาอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อยิ้มกับสายลมและแสงแดดได้ตั้งแต่เป็นคราวาสเนอะเดินในทรรเนียบก็เดินยิ้มไปเรื่อยๆเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความสุข <c oughs> แล้วตอนนั่งสมาธิมัน ทึบๆแล้ว เ, เจ้าค่ะกระดูกกระดีกไว้แล้วก็ปลุกใจให้มันคึกคักข้าวหารเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเช่นไปหาที่ภาวนาที่มันน่ากลัวอย่างเงี้ยนะตรงไหนน่ากลัวแต่ว่ากลัวผีกลัวสัตว์กลัวงูอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ที่ที่น่ากลัวคนนะคนร้ายกว่างูร้ายกว่าสัตว์ร้ายกว่าผีนะเป็นผู้หญิงต้องระมัดระวังแล้วก็ ก็คือนัน่งสมาธิได้ต่อไปใช่ไหมใช่มครัได้แต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ให้มันตื่นเต้นเล่าใจหน่อยหรือหากิจกรรมอะไรที่มาทํามากกว่าการนั่งเฉยๆหากิจกรรมมาทําบ้างฟังซีดีบ้างสนทนาทำบ้างอะไรเงี้ยให้จิตใจมันได้คึกคักกระปรี้กระเปื่าขึ้นมาอย่าอยู่เฉยคนเดียวนานไปฉะนั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยบางช่วงครูบาอาจารย์สั่งบอกให้รีกเลน เด็กเล่นไปอยู่คนเดียวนะทําความสงบแล้วภาวนาทั้งวันทั้งคืนทําไปอย่างนั้นบางช่วงต้องออกไปหาผัสสะนี่หลวงพ่อมนตรีมีเหมือนกันนะมีอยู่คราวหนึ่งไปเยี่ยมท่านถามพระไปไหนหมดแล้วส่งไปเที่ยวส่งไปเที่ย ว, ส, ยวส่งไปเที่ยวหาผัสสะพวกหนึ่งมากรุงเทพเนี่มาดูอะไรเขียวเขียวแดงแดงนะพวกหนึ่งก็ไปที่โน้นที่นี้เปลี่ยนบรรยากาศทําให้จิตใจคึกคัก เพา้นพระก็เปลี่ยนนะอย่างบางทีท่านก็เดินทุดดงเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ตรงนี้คุ้นเคยแล้วรู้ไอ้งูตัวนี้ตอนนี้ก็ามาตอนนี้แหละไม่กัดหรอกนะไม่ตื่นเต้นเฉยๆเห็นงูแล้วก็อย่างนี้ต่อไปอีกนะเปลี่ยนที่นั่งนั่งอยู่เอ้ยตัวอะไรมาไตาไอ้งูตัวนี้ขึ้นมาอยู่บนตักอะไรย่างเงี้ยนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างยุคเรานี้อาภัพนะไม่มีเสือไม่มีช้างอะไรละ เห็นแค่งูก็เอามาเล่าได้ลนะรุ่นต่อไปนะคงอย่างนี้ว่าวันนี้เห็นหมดคันไฟมันขึ้นมาถึงอาสนะแล้วโอ้โหหน้าหวาดเสียถ้ามันกัดนะคงเป็นตุ่มผู้พองคงส่งกันบ้านแบบนี้นะหน้าอาเนตอนาตช่วงนี้ต้องเทศแบบผ่อนคลายหน่อยนะว่าหน้าตาแต่ละคนพร้อมจะหลับไปกินข้าวมาใหม่ใหม่ เอาไปถึงไหนละเพิ่งเริ่มปฏิบัติะค่ะอยากทราบแต่ตอน น, นถูกหรือเปล่าคะอย่าเครียดให้ทําให้สบายๆนะยิ่งยิ่งตั้งใจมากนะยิ่งยากทําเล่นๆคอยแค่รู้ความรู้สึกของเราที่เป็นปัจจุบั น, นตอนตอ น, นี้ทำถูกหรือยังคะใ ช, ใช้ได้แต่เครียดไปทาให้สบายๆรู้เล่นๆส่วนคนนี้เพ่งมากไปเอาพูดก่อนเดี๋ยวว่าฉเฉลยหมด เอาว่าไปกาบนา ส, ส ก, การหลวงพ่ออผมปฏิบัติมานั่งสมาธินั่งไปสักแป๊บนงกันหลับอะครับมันหลับได้ยังไงครับอืมกระดูกกระดิกไว้นะนั่งน้อยๆเดินเยอะๆนั่งสมาธิดื้อกําหนดลมหายใจแล้วก็ยกหมลับง่ายนั่ ง, น, งนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจแล้วมันหลับง่ายครับผมมันหลับง่ายสิครับกระดูกกระดิกไว้แล้วเวลานั่งสมาธิก็อย่าหลับตาลืมตาไว้ เคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมพระจะปางไหนก็ลืมตานะขนาดปางนอนอยังลืมตารู้สึกไหมบางคนบอกพระพุทธเจ้าตายตาไม่หลับนะ <c oughs> มันตากไม่ดีนะ <c oughs> ที่จริงท่านหมายถึงสั ญ, ญลักษณ์ของความตื่นนั่นเองขนาดเจ้นิพพานนะยังนิพพานในภาวะแห่งความตื่นนะไม่มีหลับไม่มีหลงไหลนะไม่ใช่ไม่นอนหลับนะหลับปกติของคนธรรมดานั่นแหละ แต่จิตนี่มอยู่ในภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นงั้นเราอย่าน้อมใจของคุณเวลาทลํารู้ลมหายใจอ่ะคุณเป็นน้อมใจให้นิ่งมากไปไปมุ่งภาวนาเพื่อให้นิ่งมุ่งภาวนาให้นิ่งมันจะหลับง่ายงั้นเวลาจะรู้ลมหายใจลืมตาไว้พอใจจะเคริบนะเปลี่ยนจังหวะหายใจหายใจแรงๆอางเงี้ยตาโตๆขึ้นมาใหม่อย่านั่งให้ขาดสตินะสติสําคัญที่สุดเลย ล้วเวลาที่จิตจะรวมเป็นสมาธิจริงๆก็ไม่ขาดสตินะไม่ใช่นั่งนั่ง oh. ชั่วโมงหนึ่งบอกว่าจิตเข้าสมาธิจิตเข้าฌานไอ้อย่างนั้นไม่ใช่จิตเข้าฌานจิตนอนอยู่บนฌานฌานบ้านฌานเรือนนอนนั่นั้นรู้สึกตัวเคลื่อนไหวไว้หัดกรรมฐานที่เคลื่อนไหวนะ<ไ>แล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยฝึกให้เยอะๆตอนนี้เปลี่ยนอริยบทมาเป็น เพ่งกสินนะครับนั่นแหละที่หลวงพ่ อ, พอบอกว่ า, นานติดนล้วแหละพอเห็นหน้าก็รู้แล้วดูเงยเพ่งออกว่าติดสมาธิมานะติดเพ่งเพ่งน่ะมันดีถ้าเพ่งกรสินก็มีโอกาสสนุกแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคนิพพานหรอกหรือสีชีพไทยเขาทํามาก่อนพระพุทธเจ้าอีกถ้าเราแต่ว่าถ้าเราต้องการแค่ความสุขความสงบต้องการอภิญญาเขาเล่นต่อไปไม่ไมผิดอะไรนะ แต่ถ้าต้องการมากผลนิพพานอย่าเล่นอยู่แค่นี้ไม่พอหลวงพ่อเล่นอยู่22ปีเสียเวลาเราใจเราปรารถนามากผลนิพพานนะใจลึกๆเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมันรู้สึกว่าต้องภาวนาต้องทําเพื่ออะไรอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้จักรู้แต่ว่าต้องปฏิบัติใจมันชอบปฏิบัติแต่ว่าทําไม่เป็นไม่มีครูบาอาจารย์สอนวิปัสสนาให้เลื่อยไปเพ่งเราทีก็นั่งเพ่งไฟนะ เพ่ง น, น้ำเพ่งไฟเพ่งอากาศนั่งเล่นไปเรื่อยๆไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่านั่งหายใจอย่างเดียวก็สงบลงไปแล้วไม่รู้จะเปยังไงต่อ <c oughs> ก็เลยไปเล่นนู้นเล่นนี้ไม่มีประโยชน์เสียเวลา22ปีเสียไปอย่างน่าเสียดายเลยแต่มันทำให้เราพูดได้เต็มปากนะว่าเดิอนอย่างนั้นไปไม่รอดหรอกค่อยปล่อยอย่าให้จิตนิ่งกลับข้างนะ แต่เดิมหัดใหม่ๆบอกว่าฝึกไปให้จิตนิ่งตอนนี้นิ่งเกินไปแล้วนิ่งจนซึมให้จิตเคลื่อนไหวห แ, แล้วตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆต้องสู้นะเราอุตส่าห์พาคเพียรภาวนามาได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาหรอกแต่อย่าเอาแค่นี้อย่ามักน้อยพนะาคเพียรเอาให้ได้วิปัสสนาเนีย่ยใจลอยแว บ, บๆทราไหมใแอบไปคิดนะเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหม จะแอบไปคิดอีกแล้วแวบบนะเนี่ยให้รู้ลงไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงรู้ลงไปเรื่อยๆเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมหัดรู้ทันไปเรื่อยๆนะถ้ารู้จิตไม่ออกรู้กายไปแล้วก็เวลาที่มีอารมณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นมันจะย้อนมาดูจิตได้เองอ่าเบอร์เจไปถึงไหนแล้วนะอ่าเบอร์12บองอ่ะค่ะกำลังหัดขับรถอยู่ค่ะหลวงพ่อค่ะก็ปาดซ้ายปาดขวาไปเรื่อยๆแต่ว่า ตอนที่ไปกราบหลวงพ่อที่เมืองการก็โดนติว่าเพ่งก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าตอนนี้ก็ทำกันบ้านแล้วก็คิดว่าจิตใจมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนใช่ก็อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่เรากำลังทำอยู่มันพอนจะเป็นทางใช่ได้ดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าตอนที่ผ่านมาก็เอาเวลาไป ช่วยกิจกรรมช่วยช่วยพระศาสนาอยู่แล้วก็มันคิดได้ว่าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวหลวงพ่อไม่อยู่แล้ว <laughs> รีบมาดีกว่า <laughs> <laughs> ดีอย่าประมาทช่วยตัวเองก่อนเพราะว่า<อ>พี่มารีบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าให้อเอาน้ำบ่อ น, น้อยเนี่ยมามทำตัวเองให้สะอาดก่อนอแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นเอนะ ไม่ใช่ห <Okay. S 1> ลวงพ่อบอกพระพุทธเจ้าบอกบอกว่าฝึกตนแล้วถึงฝึกผู้อื่น <Okay. S 1> ฝึกตัวเราให้ดีก่อนพวกนักเผยแผ่เนี่ยน่า ก, กลัวมากนะถ้าเผยแผ่ไปโดยที่ตัองไม่รู้ไม่เข้าใจเนะี่ยเอาสิ่งที่ผิดผิดไปเผยแผ่ไม่ใช่ยืดอายุศาสนานะอาจจะทําให้อายุลดลงก็ได้เพราะงั้นฝึกให้เป็นให้เข้าใจแล้วเผยแผ่นะมันเต็มชั้นเต็มภูมิขึ้นมาอย่างน้อยได้โสดาแล้วเนี่ยไม่ค่อยพลาดแล้ว ก็ตั้งใจว่าจะเดินตามทางนี้ไปแล้วก็คือตั้งใจมากราบหลวงพ่อเพราะว่าจะเริ่มต้นเอาจริงเอาจังกับการรู้จักตัวเองจะครเออนั่นแหละรู้จักตัวเองไปเรื่อยนะรู้จักจนมนันึงพบว่าไม่มีตัวเองทางนะเนี่ยเฝ้ารู้กายเฝ้ารู้ใจรู้เรื่อยๆนะจะเกือบใช้ได้ละตอนเนี้ยจิตมันนิ่งกว่าความเป็นจริงอยู่นิดหนึ่งรู้สึกไหมเพราะว่าตื่นเต้นเลยไปกดมันไว้ดูออกไหมที่ฝึกอยู่ใช้ได้ละ ดีละอ่าเบอร์ห้าเบอร์นี้ต้องเปลี่ยนจะต้องเอาออกเบอร์นี้เบอร์ห้าฟังแล้วไม่ค่อยดีคค่ะแต่ตอนนี้ตื่นเต้นเจ้าค่ะแล้วก็แต่ก่อนที่สาราลุงชินหลวงพ่อบอกว่าโยมเพ่งมากๆให้เลิกปฏิบตัติตอนนี้ก็ยังบางครั้งก็เพง่งบางครั้งก็ดูออกหรือยัง <ๆ S 2> ยว่าเพง่งออดูออกแล้วไม่ค่อยมีปัญหาละบราคนหลวงพ่อบอกเพ่งนะเถียงหน้าผมไม่ได้เพง่งเสหน่อยฉันไม่เคยเพง่งเลยค่ะ ไม่เคยเพ่งเลยนะค่ะแล้วก็บางครั้งพอเวลามีอารมณ์มากระทบอะค่ะคือมันความคิดแล้วมันมาที่จิตแล้วมันก็ร้องไห้แล้วบางครั้งคือใจมันก็ดูเฉยเฉยบางครั้งก็ไปทะเลาะ ก, กับมันบางครั้งก็ไปควานหาว่าทําไมถึงร้องไห้แต่อารมณ์มันไม่ใช่เศร้ามันใช่ตรงควานหาให้รู้ว่าควานหาน ะ, ะตรงมันเศร้ารู้ว่าเศร้ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้น ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิริยาอาการใดๆเกิดขึ้นกับจิตรู้ทันอย่างควานหาความพอความไปเจอแล้วจะหยิบขึ้นมาเอามาจ้อ ง, เ, องเนี่ยนะนิสัยเหมือนกันหมดอนะทุกคนนะหลวงพ่อก็เป็นไปก่อนต้องหาก่อนไม่หาไม่เจออะไรเนี่ยถือว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้หรอกว่าไอ้ตรงหาแล้วรู้ว่าหาเนี่ยปฏิบัติเสร็จแล้วแล้วบางครั้งอะคะ่ะลูกบางครั้งโยมนะแป๊บหนึ่งนะเบอร์สิ 12, ใจลอยไปแล้ว แล้วเบอร์สิบสองอะลดการบังคับลงนะยังไม่หมดนะดูออกไหม บ, บังคับสังเกตไหมบังคับแล้วไม่มีความสุขจริงหรอกปล่อยมันไปแล้วตามดูมันไป <c oughs> อ่าเบอร์หค่ะแล้วก็บางครั้งอะคะ่ะโยมคิดอย่างหนึ่งแล้วมันคือความจริงที่อยากจะพูดแต่กลายเป็นพูดอีกอย่างหนึ่งโ <c oughs> ยมต้องแก้อะไรคือไปทําอะไรผิดไหมคะหรือว่าไม่ผิดหรอกมันสอนธรรมะเราว่าแก่บังคับฉันไม่ได้หรอกนะะ แล้วตอนนี้โยมโยมต้องต้องปรับตรงไหนไหมคะหรือว่าลูกเดียวคะแต่ใจยังมีโมหะดูออกไหมไม่ออกค่ะใจยังซึมอยู่หน่อยนึงตอนเนี้รู้สึกไหมไม่รู้สึกพวงนอนเปล่าไม่เป็นเลยกินเยอะแต่ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วไปกดมันสิค่ะตื่นเต้นแล้วไปกดไว้ค่ะแล้วพอเริ่มเริ่มตื่นหรือว่าเดินไปเรื่อยๆใช่ได้ไม่ไได้ดีละ เบอร์สิบดีแล้วค่อยๆรู้สึกไปกับน้มัสการเจ้าค่ะหลวงพอ่อตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ อ, อยากจะขอคำแนะนำนะคะเพราะว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการฟังธรรมจากซีดีของหลวงพอ่อซึ่งก็รู้สึกว่ามีสติรู้ตัวมากขึ้นเวลาที่จะพูดอะไรที่ ด้วยความโกรธหรืออะไรก็จะยั้งคําพูดหรือเปลี่ยนคําพูดให้มันเบาลงได้แต่ว่าการปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยยังทําไม่ได้แทบจะทําไม่ได้เลยซึ่งรู้ตัวดีว่าจิตยังขาดความเปลี่ยนมากโดยเฉพาะเรื่องความขี้เกียจแล้วก็ความง่วงจะผัดผ่อนตัวเองอยู่เรื่อยนะคะคือถ้าทํารูปแบบอะไรไม่ได้เลยนะท่องพุทโธไว้ท่องพุโ ท, ทพโธเป็นแบ็คกราวน์นะท่องไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธไปพุโทโธแล้วใจเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราคอยรู้ไว้ทั้งวันนะฝึกท่องพุโทโธไป แต่การปฏิบัติตามรูปแบบก็ก็ยังควรจนอางนี้ไงล้อุตส่าห์ท่องพุทโธนี่แหละรูปแบบละแล้วมีคําแนะนําอะไรไหมคะที่หลวงพ่อแนะนําเสร็จแล้วแล้วที่ปฏิบัติอยู่มันดีแล้วพอจะเออพอดูได้พอดูได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะพอดูได้แล้วไม่ใช่หลวงพ่อดูเรานะหมายถึงเจ้าตัวนะพอจะดูตัวเองได้เห็นกิเลสบ้างแล้วรู้สึกไหมถ้ากิเลสแรงๆมาก็พอดูได้แล้วเห็นไหม หลวงพ่อช่วยกรุณาแนะนําด้วยค่ะแล้วเราทํามายังไงล่ะก็กตอนนี้บบนตื่นเต้นค่ะเออตื่นเต้นรู้ไปรู้จักโกรธไหมอบอกทั้งห้องเลยนะใครรู้จักโกรธใครใครรู้จักโลบใครรู้จักหลงไหมใครรู้จักฟุ้งซ่านใครรู้จักหดหู่ไหมเอางี้ดีกว่าถ้าใครไม่รู้จักสภาวะต่อไปนี้นะให้ยกมืออา้าวโกรธโกรธ ร, รู้จักไหมถ้ารู้ไม่ต้องยกเห็นไหม ถามอย่างนี้นะ่จะรู้ทั้งห้องแหละแต่ถ้าหลวงพ่อบอกใครรู้จักให้ยกมือนะมันจะไม่รู้ทั้งห้องเลยมันทำรรเนียมไทยนะความจริงแล้วเราทุกคนรู้จักสภาวะทุกทุกอย่างอยู่แล้วที่หยาบหยาบนะความโลภเป็นยังไงเราก็รู้จักความโกรธเป็นยังไงเราก็รู้จักใช่ใจลอยเป็นยังไงก็รู้ฟุ้งซ่านเป็นยังไงก็รู้หดหู่นะสงสยัยดีใจเสียใจกังวลกลัวอิจฉาเนะี่ยสารพัดรูปแบบ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆ ร, รู้จักอยู่เยอะแยะแล้วหน้าที่ของเรามีนิดเดียวตอนนี้ความรู้สึกอะไรกําลังปรากฏอยู่ในใจเราเช่นความโกรธกําลังปรากฏอยู่รู้ทันความสงสัยกําลังปรากฏอยู่รู้ทันความรู้สึกใดๆปรากฏอยู่ในจิตในใจของเราคอยรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ฝึกให้ไม่มีความรู้สึกนะแต่ให้รู้ว่าความรู้สึกอันใดกําลังปรากฏอยู่เนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไม่นานก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูด ว่าหลวงพ่อพูดอะไรที่ฟังยากมากนะเพราะมีนักอภิธรรมมาเรียนหลายคนมันจะยากหน่อยฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องตกใจนะจริงๆที่ง่ายๆเลยคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปทั้งวันเลยอย่างผู้เฒ่าผู้แก่วันไหนลูกหลานมาเยี่ยมดีใจเนื้อรู้ว่าดีใจไม่ใช่รู้ว่าลูกมาเยี่ยมนะแต่ลูกมาเยี่ยมนะั่รู้อยู่แล้วแต่พอลูกมาเยี่ยมแล้วดีใจรู้ว่าดีใจหมู่นี้ลูกหลานหายไปรู้สึกน้อยใจรู้ว่าน้อยใจหัดง่ายๆอย่างนี้เอง เรียกเด็กมากินข้าวนะลูกฟิ้งมาอย่างดีเลยมันเคี้ยวตุ้ยตุ้ยรู้สึกน่ารักน่าเอ็นดูรู้ว่าน่ารักรู้ว่ารู้สึกรักลูกอีกวันหนึ่งเรียกมันมากินข้าวมันไม่มาเลยโมโหแล้วนะจะตีมันแล้วเรียกมันมาบังคับมันมากินยัดปากมันเข้าไปนะเหมือนเลี้ยงงูนะเคยเห็นไหมยัดใส่ปากนะใส่ปากแล้วมันเคี้ยวก็ยังพอทนได้นะมันอมไม่เฉยเฉยองกนี่เราก็จะรีบไปทุร้นะโมโหนะโมโหรู้ว่าโมโห เนไหมการภาวนานี стати, e, e yeah. ่ยแหละอยู่ในชีวิตธรรมดานี the the ่เองทําได้ยังขับรถอยู่ออกจากบ้านจะรีบไปธุระแหมเจอไฟเขียวตลอดดีใจใช่ไหมจะรีบไปธุระมีแต่ไฟแดงแล้วมันงุดหงิดนะระวนกระวายกลัวไปไม่ทันงุดหงิดรู้ว่างุดหงิดงุดหงิดอย่ามัวจะไปด่าจราจรนะว่ามันเปิดข้างโน้นข้างเดียวสงสัยแม่ยายมันจะมาให้รู้เ่างุดหงิดรู้ว่างุดหงิด อย่ามัวไปดูคนอื่นถ้าฝึกอย่างนี้ได้นะฝึกได้ทั้งวันนี่แหละเราจะสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตประจําวันได้ถ้าคนใดสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตประจําวันได้นะมักผล น, นิพพานอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วแต่ห้ามเอื้อมนะถ้าเอื้อมแล้วมันจะหนีไปห้ามเอื้อมเรียกว่าอยู่ไม่ไกลแล้วใกล้นิดเดียวนะงั้นพยายามรู้สึกตัวอ่านจิตอ่านใจตัวเองในชีวิตประจําวันนี้แหละ เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรนี่ดูได้หมดนะอย่างเราจะอาบน้ำหมาที่วัดนี่มีหมาตัวหนึ่งชื่อพ่อเหลืองเนะพราะคนนี้นะแกจะนับวันได้วันนี้หนึ่งสามี่ห้าเนี่ยจะเข้ามาใกล้กูบาอาวันที่ 6, ที่7จะต้องห่างๆเดี๋ยวจะอาบน้ำลน ะ, ะ <c oughs> เวลามันเจ้าเล่มันเจ้าเล่์มากเลย เวลาอาบน้ำมันจะหนีหลบหลีกไปได้สารพัดโมโหนะโมโหโมโหรั่ว่าโมโหเห็นหวันนี้อาบน้ำได้อาบน้ำให้หมาได้รู้สึกว่าเก่งชนะหมาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยรู้ทันอย่างนี้เห็นไหมแค่อาบน้ำหมานะก็ยังภาวนาได้ภาวนาได้ตลอดแหละหรือเราจะอาบน้ำเองก็ภาวนาได้นะอย่างหน้าหนาวเราเจอน้ำเย็นๆ เ, เราสยองใช่ไรู้ว่าสยอง หน้าร้อนเราเจอน้ําเย็นแค่รู้สึกสดชื่นรู้ว่าสดชื่นให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจเราไปทั้งวันเลยนะเท่าที่ทําได้ให้บ่อยๆหน่อยอย่าอย่ามากน้อยสันโดดจนน่าเกลียดนะปปนวันเพศวันนึงดูได้สองครั้งนี่น้อยไปเอาให้ได้นะนาทีละครั้งก็ยังดีนาทีละครั้งเนี่พอรับไหวแลวพอทนได้ จริงๆก็ควร2วินาทีครั้งหนึ่งวินาทีหนึ่งครั้งหนึ่งนะเพราะจิตจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่รู้เท่าที่รู้ได้ค่อยๆทีแรกก็นานๆรู้ทีต่อไปก็จะรู้ได้ทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นพอรู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยไม่ใช่ไปบังคับให้เขาอยู่ในภาวะอันใดอนหนึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ใช่ว่าต้องมีความสุขไม่ใช่ว่าต้องสงบไม่ใช่ว่าต้องจะดีไม่ไม่มีคําว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เลยหรือควรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มี เราดูสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะรู้สึกตัวหรือจะหลงจะเพ่งจะอะไรไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายนั้นไม่คงที่นี่เราเรียนกรรมฐานนะเพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายมันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันบังคับไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรียนเพื่อจะบังคับให้ได้ไม่ใช่เรียนเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบเพราะความดีความสุขความสงบอย่างเป็นของไม่เที่ยงแท้ มันดีได้ก็ยังชั่วได้สุขได้ก็ทุกข์ได้สงบได้ก็ยังฟุ้งซ่านได้เพราะฉั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาเดีเอาสุขเอาสงบซึ่งเป็นของเล็กน้อยเราภาวนาเพื่อเอาความจริงเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนี้ว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้พอเราเห็นอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยความยึดถือในกายในใจจะค่อยๆลดลงความทุกข์ก็จะลดลงในสัดส่วนที่เหมือนเหมือนกันนะถ้าไม่ยึดกายยึดใจเลยก็ไม่ทุกข์เลย ถ้ายืดนิดหน่อยก็ทุกนิดหน่อยยึดมากก็ทุกมากเพราะฉะั้นร่างกายจิตใจนี้เป็นของที่แปรปรวนตลอดเวลาไม่ใช่ไปฝึกเพื่อให้มันคงที่มันคงที่ไปไม่ได้อย่างร่างกายต้องแก่เนี่ยมันต้องแก่ถ้าเรารักร่างกายมากเลยอยากะสาวตลอดกาลนะพอมันเริ่มมีตีนการเราก็กลุ้มใจใช่ั้ยต่อไปพัฒนาถึงขั้นตีนบัวตีนกวายนะกลุ้มใจหนักกว่าเก่าอีกนะ ถ้ายอมรับสภาพได้เรเห็นนะร่างกายนี้มันไม่ใช่ของดีของวิเศษเนะี่ยมันแก่ลงมาไม่กลุ้มใจนะไม่กลุมใจหรือเรายอมรับได้ว่าร่างกายต้องเจ็บไข้ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรเนงะี้ยถ้ายอมรับสภาพได้เวลาร่างกายเจ็บป่วยเนี่ยใจจะไม่เจ็บป่วยไปด้วยเราจะสามารถอยู่กับร่างกายที่เจ็บป่วยโดยที่จิตใจไม่เจ็บป่วยมีตัวอย่างคนหนึ่งนะอาจารย์กำพลอาจารยกำพลนามสกุลอะไรลืมไปละใครรู้จักไหม ท อ, ออทองบุญนุ่มนะเป็นนักว่ายน้ำกระโดดน้ำลงไปหัวหม่งพื้นนะก็เลยพิการเดินไม่ได้ขยับมือได้นิดเดียวขยับมือได้ข้างเดียวนะแล้วขยับได้นิดเดียวนิดหน่อยมือเนี่ยชีวิตสิ้นหวังแล้วใช่ไหมอนาคตดับวูบนี่ยกำลังจะแต่งงานด้วยนะเป็นครูด้วยนะพิการล <Yeah. S 1> ำบากถ้าเป็นคนทั่ ว, วไปคงร้อหงห่มน้องไห้นะเสียอนาคตไปเลย มือเป๋ๆก็ดิกไม่ได้คงอยากกินเหล้าขอกินเหล้า่ า, น, น, า น, นีนี่ไม่ทําอย่างนั้นนี่ไม่ทําอย่างนั้นศึกษาธรรมะ ก, กับหลวงพ่อคําเขียนหัดขยับคนอื่นเขาขยับได้เยอะขยับได้เยอะผมแกขยับได้แค่เนี้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ขยับทําไมขยับแล้วรู้สึกตัวขยับแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันขยับแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันแล้วเห็นเลย ความทุกข์มันเกิดตอนที่ใจหนีไปคิดนี่เองแกขยับแล้วแกรู้สึกขยับแล้วรู้สึกแกฝึกของแกอยู่อย่างนี้เองนอนตาแป๋วแป๋วนะเคยมาหาหลวงพ่อทีหนึ่งนอนตาใสมีความสุขนี่ร่างกายทุกข์นะแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะบางคนร่างกายแข็งแรงแต่ใจทุกข์น่าสงสารนะร่างกายไม่เป็นไรแต่ใจก็ทุกข์หาเรื่องทุกข์เผาตัวเองทั้งวันนั้นเราภาวนาเรารู้ทานจิตใจเรื่อยๆ โดยเฉพาะจิตที่แอบไปคิดเนี่ยตัวสําคัญที่สุดเลยถ้าจิตแอบไปคิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมาจิตแอบไปคิดคิดเรื่องนี้เกิดกุศลคิดเรื่องนี้เกิดอกุศลคิดเรื่องนี้มีทุกข์คิดเรื่องนี้มีความสุขเนี่ยหมุนเวียนดังนั้นถ้าเรารู้ทันใจใจไม่หลงไปรู้ตื่นเบิกบานไปเรื่อยๆมีแต่ความสุขค่อยๆฝึกนะเบื้องต้นก็มีความสุขที่ได้รู้สึกตัว ต่อมามีความสุขเพราะว่าใจตั้งมั่นเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ปฏิบัติอะไรเหมือนเบอร์สามมันรู้สึกไหมไม่ก็ได้ปฏิบัติอะไรแต่มันก็มีความสุขมันรู้สึกตัวอยู่ใจมันตั้งมั่นอยู่ต่อไปมันก็มีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจนะก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งมีความสุขอยู่3วัน4วันอะไรเงี้ยมีความสุขเวลาเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะขึ้นมาแต่ละอันแต่ละอันเวลาเกิดมรรคผลนะมีความสุขไปอีกมีความสุขหลายวัน โดยเฉพาตอนท้ายๆนะมักท้ายๆเนี่ยมีความสุขเป็นปีเลยก็มีนะบางองค์มีความสุขอยู่เป็นปีนั้นเราภาวนาแล้วจะมีแต่ความสุขค่อยๆฝึกไปวันนี้คงเอ้าว่างไงขอบพระคุณค่ะเออดีหลวงพ่อลุกทุ่ไหนนะไม่เจริญพร อ, อย่างเงี้ยเล่นลิเกมไม่ถนัดแต่ความจริงเล่นเป็นนะ อาว่าไปหลวงพ่อคะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะค่ะมากราบหลวงพ่อแหลวงพ่อทักบอกว่าใช้ได้แล้วตอนนั้นคือดีใจมากใจพองระหว่างขับรถที่ดีใจพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยมันเกิดความรู้สึกหวงแล้วก็มานั่งรีวิวว่าเอ๊ะเราทําอะไรบ้างเลยหายไปหมดก็ก็ก็รู้สึกเป๋ๆอยู่ช่วงช่วงนั้นนะคะตอนนี้ก็ก็ หนูคิดว่าดีดีดีขึ้นกว่าเมื่อตอนที่รู้สึกว่าฟุฟง้ฟงฟุ้งตอนช่วงที่หลวพ่อชมนะคะแต่ให้หลวงพ่อช่วยดูว่าต้องมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็รู้ไปอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะมันเป็นยังไงเรารู้ไม่ใช่แทรกแซงแก้ไขหรอกไม่ใช่คาดหวังด้วยว่าจะเอาอันนั้นอันนี้นะรู้ลูกเดียวรู้เล่นๆไปดูความเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วจะเห็นเลยความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนะั้นเราควบคุมไม่ได้หรอกอย่างใจจะเป๋ๆใช่ไหมห้ามมันไม่ได้นะดูไปอย่างนั้นแหละ ใช้ได้แล้วดีไปหลวงพ่อคะอย่าเพิ่งชมว่าดีเดี๋ยวจะดีใจออ <laughs> ขอขอโทษ น, นะคะคืนมีอะไรจะถามนิดนึงนะคะคือช่วงหลังเนี่ยหนูรู้สึกว่าไปไปเริ่มลดการปฏิบัติแบบรูปแบบลงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะเพ่งพอเริ่มนั่งก็เริ่มเพ่งก็เลยไปทำงานบ้านอะไรไปก็รู้สึกมีความสุขระดับหนึ่งฟังซีดีอะไรไปแต่ว่าพอพอเริ่มมันก็มีความคิดแวบขึ้นมาบอกว่า เอ๊ะเราจะขี้เกียจเกินไปหรือเปล่าเราจะฟุ้งซ่านเกินไปหรือเปล่าก็ลองกลับมานั่งพอนั่งปุ๊บเนี่ยขาวนี้มันนั่งไม่ได้ละอยากออกไปเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะต้องปรับปรุงไหมคะหรือว่าคือถ้าถ้าช่วงไหนนะเราภาวนาแล้วเรารู้สึกตัวอย่างเราควาดบ้านถูบ้านเรารู้สึกตัวอ่านจิตอ่านใจได้อย่างดีเนี่ยรู้ไปเลยไม่ต้องไปอะไรอาบอลถึงความสงบในช่วงไหนมันฟุ้งซ่านดูไม่ออกแล้วนะก็กลับมาทําความสงบ เวลาทำความสงบเนี่ยมีเคล็ดลับอย่าอยากสงบถ้าเราไปนั่งแล้วเราจงใจจะให้สงบเนี่ยมันจะไม่สงบให้นั่งเล่นเดี๋ยวก็สงบเคล็ดลับของการทำสมถาก็คืออย่าจงใจทำอย่างมีความสุขเมื่อไรมีความสุขเมื่อ น, นั้นมันจะสงบถ้าทำด้วยความเครียดมันจะไม่สงบแล้วอย่างหนึ่งจิตซึ่งเดินปัญญาจนชำนาญเนี่ยนะมันจะไม่ยอมสงบนานนะ ยังไม่ต้องตกใจพอจิตรวมลงไปวูบเดียวนะเดี๋ยวขึ้นมาละออกมารู้กายรู้ใจใหม่อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันไม่ยอมสงบเลยแล้วมันฟุ้งดูอะไรไม่ออกเนี่ยก็ต้องเขี่ยวเข็นมันแต่เขี่ยวเข็นแบบสบายๆนะหมายถึงว่าลืมงานอื่นไปก่อนเรามาทํากรรมฐานของเราแต่ทาด้วยใจที่สบายไม่คาดหวังตรงที่ไม่คาดหวังเนี่ยใจจะสงบอย่างรวดเร็วเลยความจริงแค่ถอนใจเพื่อเดียวก็สงบได้นะ รู้สึกไหมเวลาเราหายใจออกหรือเราเวลาเรากลุ้มใจนะเราถอนใจทีหนึ่งนะั้นมันผ่อนคลายได้เมื่อเราหายใจออกก่อนนะเวลาทํากรรมฐานถ้าทําลมหายใจหายใจออกไปจิตจะรวมทันทีเลยจะสงบทันทีเพราะว่ามันมีความสุขแต่ถ้าเริ่มต้นงี้นะ <c oughs> มันจะไม่สงบนะ3มวันก็ไม่สงบมันอยู่ที่เคล็ดลับอยู่ที่ต้องสบาย แต่ถ้าวิปัสสนาเคล็ดของมันอยู่ที่ไม่คิดนะสมถะเนี่ยทำไปด้วยความรู้สึกสบายมีความสุขจิตจะสงบถ้าวิปัสสนาเนี่ยอย่าไปคิดเอารู้เอานะเคล็ดลับอยู่ที่รู้เอาไม่ใช่คิดเอากราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็สังเกตว่าช่วงหลังๆของการปฏิบัติเนี่ยค่ะ เวลาเรื่องเรื่องที่เราไปรู้เนี่ยมันมันเบาลงมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่เริ่มปฏิบัติซึ่งจะรู้ได้ชัดชัดเจนแล้วก็บางครั้งก็รู้เหมือนว่ามันมันไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างแล้วก็มันหลา ย, ลายๆอย่างนั้นนะค ะ, แ ล, ะแลแ้วต่กลายเป็นว่าสิ่งที่รู้ชัดกลายเป็นอิริยาบถของขอ ง, ของตัวเองร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็รู้อิริยาบถไปพอจิตมันไหลๆแล้วก็รู้ว่าจิตที่ไหลไหลไปอะไรรู้ได้ก็รู้อันนั้นแหละ แต่ไม่ใช่ <trousers S 1> ไปเพ่งใส่ร่างกายน ะ, ะไม่ได้เพ่งอริยาบทมันมันรู้ของมันเองอะ <ภา S 2> ค่ะมันรู้ของมันเองใช้ได้<อ>คือเราฝึกไปเพื่อให้เกิดสติพอสติเกิดแล้วเนี่ยสติจะรู้กายหรือสติจะรู้ใจเราเลือกไม่ได้แล้ะเขาเลือกของเขาเองค่ะเพราะงั้นบางทีไปรู้กายก็ให้มันรู้ไปพอมันรู้กายเราก็เห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมรู้สึกค่ะบางทีเดินในชีวิตจำวันก็จะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเดินจงกลมอยู่ที่บ้านน่ามันต้องอย่างนั้นเดินชอปปิ้งก็เหมือนเดินจงกลมนะ แต่ต้องดูเรื่อยๆนะม่ะงั้นเลือบูบเดี๋ยวคนของกลับบ้านแล้วแล้วไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรแนะนำหรือเปล่าที่ฝึก อ, <ะ>อยู่ใช้ได้แล้วใช้ได้แต่อย่าขี้เกียจนะค่ะขอบคุณค่ะจำกระต่ายได้ไหมะตึกกระต่ายอ่ะกระต่ายเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าดูใจดูจิตเนี่ยเสร็จแล้วไปที่ศูนย์การค้าเห็นกระเป๋านะอยากได้รู้ว่าอยากได้ เผลออีกรูปหนึ่งนะกระเป๋ามาถึงบ้านแล้วอาตึกว่าไปอุทัยอ่ะอ ท, ทีมนี้หายไปไหนคนไซนี้ย พ, พี่เป็นในมรดกของหลวงพ่อครับก็ยังก็ยังประคองอยู่ฮก็อย่าไปประคองมันสิไม่ต้องรักดีครับไม่ดีก็ได้ แต่ไม่ให้ชั่วครัือไม่ให้ผิดศีลนะช่วงนี้ก็ใช้ครบทุกอย่างเลฮะทั้งทั้งาทั้งหนีทั้งสมถะทั้งตามรู้ฮ ะ, ะมันต้องรู้จังหวะนะครับเหมือนเราทําสงครามเลยครับจังหวะนี้ต้องเข้าโจมตีนะอย่ารอช้าลุยเลยหมายถึงช่วงนี้ควรเจริญปัญญาลุยเข้าไปเลยตามรู้ตามดูไม่ยอมเลิกเยช่วงนี้เหนื่อยแล้วก็หยุดพักอยู่ ในช่วงนี้ค่าศึกเข้มแข็งเหลือเกินถอยไว้ก่อนถ้าสมมุติว่าผม เ, เวลาเวลาตามดูเนี่ยฮะถ้าผมดูแล้วผมสู้ไม่ได้อย่างเช่นมีโทสะหรือราคะอะไรแบบเนี้ยแล้วผมสู้ไม่ได้ผมตามดตูตัวที่ปัจจุบันก็คือตัวโทสะเนี่ยไอตัวก่อนหน้านั้นมันจะมันจะลดลงไปหรือเปล่าครหลวงพอ่อเป็นยังไงตัวก่อนหน้าอย่างเช่นแบบมีมันเกิดอาการ อย่างเช่นมีราคาปุ๊บเนี่ยแล้วซูไม่ได้ปุ๊บมันเกิดโทสะขึ้นม า, าโทสะขึ้นมาปุ๊บดูโทสะผมดูได้แต่โทสะไม่ดูดูตัวสุดท้ายเป็นตัวก่อนก่เป็นอดีตไปหมดแ ล, แล้วดูตัวที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดแล้ว ช, ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับพของผมอ้าวเขาเล่ามาหมดแล้ว <laughs> ครับเท่าที่สังเกตตัวเองก็คือต้องคอยทําจิตใจให้กระตือรือร้นไว เพราะมันชอบไหลเข้าไปประคองอยู่ข้างในครับก็ต้องขยันส่งไปดูท้องฟ้าก่อนเมฆ<ม>ดูไกลๆล้วก็พอดูแล้วก็สังเกตเห็นว่าลืมกายลืมใจจะรู้ตัวได้นิดนึงทําได้แบบนี้ครับวิธีอื่นทำไม่ได้<ม>แต่ก็มีเดินจงกรมบ้างเล็กน้อยเวลาไปส่งลูกเสร็จแล้ว<ม>เดินกลับมาที่ออฟฟิศอาศัยช่วงนั้นเดินจงกรมเพราะว่าไม่ต้องห่วงอะไรใคร<ม>ครับแล้วก็ที่หลุมพ่อถามเมื่อเช้า จริงๆน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับอครับก็ดีแล้วมันเหนื่อยนะไปดีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ๆเมื่อช่วงก่อนนะครับที่เกี่ยวกับสมเด็จพระยานนะครับก็เลยถอดใจไม่เอาแล้วเพราะขนาดของดีอยู่ต่อหน้าเนี่ยคนบางคนยังเอาไปทำอะไรอย่างนั้นได้ครับเอาตัวรอดไปก่อนนะจริงๆนะศา ส, สนาพุทธงอนแง่นเต็มทีแล้วนะไม่รู้จะหายไปเมื่อไหอไร่เราต้องรีบศึกษาไว้ ศา ส, สนาพุทธไปไว้ที่คนอื่นไม่ได้นะต้องไว้ในจิตในใจเราให้ได้ไม่มีที่ใดที่จะเก็บธรรมะได้ดีที่สุดเท่ากับที่ใจของเรานี่เองธรรมะสมมุติเราไปฝากพระไว้เนะี่ยพระพร้อมที่จะหายไปนะคืออย่างพออำนาจการเมืองมันมีนโยบายทำลายพระให้หมดเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดในประเทศทั้งหลายลองดูสิการเมืองนี่แหละตัวกำหนดอย่างบางประเทศเคยออกนโยบายใครจะบวชต้องขออนุ ญ, ญาต และไม่อนุญาตหรือสังคมที่เปลี่ยนเนี่ยมันทำให้ระบบพระงอนแงนขึ้นมาอย่างคนแต่ก่อนลูกเยอะใช่ไหมไปบวชซะบ้างดีจะได้ไม่ต้องแบ่งนาให้เดี๋ยวนี้ลูกน้อยไปบวชไม่ได้นะร้องผมร้องไห้ตีโพยทีพายแล้วหาคนบวชนานๆไม่ได้เมื่อก่อนจะใกล้ๆพรรษาเขาบวชเพื่อจะเข้าพรรษาเดี๋ยวนี้ใกล้ๆพรรษาต้องรีบศึกนะก ล, กลับหัวกลับหางไ้หมดแล้วนะ เดี๋ยวนี้แต่ไม่มีเนนแล้วนะเพราะการศึกษาภาคบังคับเยอะขึ้นยาวขึ้นนะพอเด็กจบออกมาก็ไปทำงานได้แล้วนะเนนหายไปจากสังคมเลยพระว่าเวไม่รู้จะทำไงบางวัดนะต้องไปเอาชาวเขามาบวชเนนเนี <c oughs> นะ่ยสังคมมันเปลี่ยนนะเราไว้ใจไม่ได้หรอกว่ า, าศาสนาจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนเราต้องรีบศึกษา แต่ละคนมีความสําคัญนะทุกคนกําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์นะตอนนี้ประวัศาสตร์ทางาศาสนานี่แหละสังคมเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากเลยแต่ละคนสําคัญทั้งนั้นเลยต้องรีบศึกษาให้เข้าใจศึกษาจเจริญสติปัฏฐานให้เป็นรักษาสติปัฏฐานไว้รักษาอริยสัจไว้อะไรเงี้ยตัวเนี้ยสาคัญมากเลยถ้าสติปัฏฐานหายไปเนี่ยศาสนาพุทธแทบจะไม่มีคุณค่าเท่าไหร่แล้วไม่ต่างอะไรกับระบบจริยธรรมของคนอื่นแล้ว มันต้องเรียนนะบางคนบนหลวงพ่อมาที่ไรก็พูดแต่เรื่องดูกายดูใจมีสติเนี่ยถ้าตัวนี้หายไปก็คือาศาสนาพุทธหายไปไม่มีคนจเจริญสติโลกก็ว่างจากพระอรหันต์ว่างจากพระอริยะาศาสนาพุทธจะมีคุณค่าอะไรมันก็พูดแต่ปากนะตอนคนไทยไม่มีาศาสนานะบางคนพยายามไปเขียนรัฐธรรมนูญจะให้าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจำชาติเขียนตรงๆเลยบอกคนไทยไม่มีาศาสนา คนไทยมีผลประโยชน์เป็นศาสนาเนะี่ยจะซื่อๆนะเราพร้อมจะขายพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมตอนนี้เราไปนับถืออะไรกันเต็มบ้านเต็มเมืองพูดมากไม่ได้นะขอส่งต่ อ, อนิดนะครับคือเท่าที่สังเกตเห็นคือว่าเวลาที่จิตเข้าไปประคองเนี่ยสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วที่เข้าประคองไม่ได้ประคองจิตแต่เข้าทําอะไรไม่รู้เพราะว่า บางครั้งเราจะเห็นว่าจิตไปรู้ข้างนอกเราเห็นข้างนอกเนี่ยแล้วมันมีไอตัวประคองอยู่ข้างในอนั่นแหละมันประคองไว้มันประคองรักษาจิตไว้มันกลัวหลงกลัวเผลอแต่มันก็ไม่ดีมันทําให้สําเร็จนะครับแต่ก็ยังทำอยู่มันทำเพราะความเคยชินครับนะนิสัยของฤาษีชีพลายเก่าๆทําอย่างนั้นทุกคนแหละมันเลิกไม่ได้แต่เมื่อกี้มันหลุดออกไปและวตอนที่หัวเราะว่าเป็นฤาษีมันหลุดออกไป มันลืมมันลืมประคองเห็นไหมใช่ครับงั้นลืมลืมซะบ้างเผลอบ่อยๆแล้วดีเห็นไหมไม่ได้แกล้งพูดนะบางคนบอกรู้ตัวตลอดเวลานะมีคนนึงเขาเป็นนั่งอภิธรรมนะเขามาฟังหลวงพ่อแล้วเขาเขียนสรุปมาให้ของหลวงพ่อสอนไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นต้องไม่ให้เผลอของหลวงพ่อบอกเผลอบ่อยๆคนอื่นบอกให้ตั้งใจไว้นะหลวงพ่ออย่าตั้งใจนะให้รู้เล่นๆคนอื่นบอกต้องเพียนไปทุ่มเทเอาชีวิตเข้าวแลกแล้วบอกอย่าอยากมากนะ เล่นๆไปเล้าง่ายธรรมะจริงๆเป็นของง่ายเพราะธรรมะจริงๆคือความจริงอยากรู้ความจริงก็อย่าไปดัดแปลงความจริงอยากรู้ความจริงของร่างกายอย่าไปดัดแปลงร่างกายอยากรู้ความจริงของจิตใจอย่าไปดัดแปลงจิตใจเราให้กายให้ใจทํางานไปแล้วเราก็ตามดูความจริงของมันไปเคลิ้มไปมากไ ป, กไปตึกถ อ, อยออกมาอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะทำแล้วจะเคลิมดูสิจิตเคลิมติดออกมาเลยรู้สึกไหมครับใช้ไม่ได้นะอย่างนี้ติดสมถะ อย่าไปเล่นอย่างตะกี้จาได้ป่ะไม่เอาน่าจิตเลยค้างเข้าไปเลยนดูออกไหมเนี่ยมันจะจ้าจ้าออกไปแล้วมันทื่อๆไปเลยนะอ่ะช่วงนี้ค่ะมีโทสกะกับโมหะค่อนข้างมากแล้วก็เวลาโทาสะที่หนักๆ่ะค่ะเราก็รู้ว่าเกิดโทสะแต่ว่ามันไม่ดับเพราะว่ามันก็วนกลัมาใหม่วนกลับมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันห้ามไม่ได้นะ ห้ามไม่ได้หรอกก็ให้มน<ต>ันเป็นอย่า ง, งานั้นแต่ว่าเราเก่งแล้วนะที่เรารู้ว่ามันมีโมหะมันมีโทสะแต่ว่าเราอย่าไปภาวนาเพื่อห้ามมันเราจะเรียนรู้มันเพื่อให้เห็นความจริงว่าโทสะไม่ใช่จิตของเราเหรอกโทสะเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาพอเราเห็นอย่างนี้นะโทสะก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตจะไม่มีโทสะจิตจะเป็นแค่คนรู้ว่ามีโทสะเกิดขึ้นโทสะอยู่ต่างหากจิตก็อยู่ต่างหากไม่เกี่ยวกัน ค่อฝึกไปนะเ อ, อมีอันหนึ่งค่ะหลวงพ่อเออเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเห็นเลยว่าจิตจะจะวิ่งไปคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ถี่มากคเกงค่งทําอันนี้ยังไม่ทันเสร็จเลยคิดเรื่องนั้นแล้วะเดินไปทําเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อีกแล้วแบบแบบเหมือนกับว่าจิตมันวิ่ง<ค>อะค่ะแป๊บหนึ่งนะตอนเนี้ยจิตกําลังจะคล่ําครวนรู้สึกั้เี่ยให้รู้ทันลงอย่างนี้เลยะเก่งนะที่ฝึกอยู่อะถ้าไม่เก่งไม่เห็นหรอกใช้ได้เหรอคะใช้ได้ ไม่ต้องดีเห็นไหมจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะใช้ได้ละแค่นี้หลวงพ่อก็ชมแล้วมีโทสะรู้ว่ามีโทสะถ้ามีโทสะแล้วทำยังไงจะหายนะไม่ชมหรอกอย่างเนี้ยเพราะว่าใครๆก็อยากหายไม่เห็นแปลกอะไรแต่ใครจะกล้ารู้กิเลสอย่างหน้าตาเฉยรู้อย่างที่มันเป็นหายากนะที่จะใจถึงขนาด น, นั้น จนกระทั่งเราสามารถเห็นว่ากิเลสก็กิเลสเลยจิตก็จิตสิไม่เกี่ยวกันนี่ค่อยฝึกไปอ่ะคุณต้องอันนี้ไม่มีอะไรอคุณต้องยังบังคับอยู่นิดนึงอแมวค่ะเออตอนนี้กําลังสนใจตัวโมหะนะคะคือถ้ามันมาแรงๆก็เห็นชัดแต่ว่าถ้ามันค่อยๆเบาๆไม่ค่อยเห็นรู้เท่าที่รู้ได้ก่อนนะโมหะอยู่ยากที่สุดเลย โมหะเนี่ยพอละเอียดถึงที่สุดนะมันคืออวิชชาดูยากอาวิชชานั้นดูหมดจดฟองใสนะมันไม่มืดไม่มัวแล้วกิเลสยิ่งละเอียดยิ่งใสครับนำมกาศครับหลวงพ่ออันนี้มากราบหลวงพ่อที่วัดเป็นครั้งที่5ครับก็มันก็มีสติพอรู้สึกตัวได้บ้างเป็นระยะวันนี้เวลาพอเห็นสภาวะเนี่ยครับ บางครั้งสภาวะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ช่วยยกม่อใกล้ๆปากหือมือเดียวเออย่างนั้นแหละบางครั้งสภาวะมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับคือไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนของเขาเองหรือว่าเขาเปลี่ยนเพราะว่าเราไปปรุงแต่งตามสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยครับนี้จะถ้าเราปรุงขึ้นมานะใจจะแข็งแข็งทื่อๆไม่มีความสุขถ้าเขาเปลี่ยนเองแล้วเรารู้อยู่นะใจจะโล่งๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้ แล้วก็บางครั้งพรมันมีกิเลสมาเนี่ยครับคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันผิดศีลชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่ยากคือเราก็ไม่ตามตามแต่ว่าบางทีมันมีกิเลสบางตัวซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นการผิดศีลอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะถูกมันลากไปจะเป็นส่วนใหญ่เงี้ยครับทีนี้อย่างนี้จริงๆแล้วเราควรที่จะต้องฝืนมันบ้างไหมครับต้องใช้แบบพระนะในพระวินัยเนี่ยอะไรที่พุทธเจ้าห้ามก็ไม่ทําอะไรที่ท่านสั่งให้ทําก็ทํา แต่ถ้าอันไหนสงสัยน ะ, ะก็อย่าไปละเมิดมนั้นอย่างเช่นสงสัยว่าในอาหารเนี่ยมีเหล้าอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้าสงสัยก็ไม่กินมันหรือว่ากังวลใจคนเอาเข้าวหมากมาถวายนีย่มันมีแอลกอฮอล์นะอย่างเงี้ยนี่แต่มันเป็นขนมหรือมันเป็นเหล้าจะตีความว่ายังไงนะเอากินไว้ก่อนอนี่อาบัตเลยเพราะฉนั้นถ้าสงสัยไม่เอาไม่ทํานะ ถ้าสงสัยก็เว้นไว้ก่อนแล้วค่อยศึกษาเอาว่าปลอดภัยจริงๆค่อยทํำก็ <c oughs> อีกอันนึงนะครับเพราะคือพอบางทีรู้ถึงสภาวะแล้วมันมันมันเกิดความรู้สึกที่ไม่ได้เป็นกลางนะะเนี่ยครับพอรู้ว่ามันไม่เป็นกลางเนี่ยแต่มันจะมีบางครั้งซึ่งเราจะมีวิธีคิดหรือว่าวางใจใหม่ให้มันเป็นกลางอย่างนี้ไม่ไม่ควรไม่ต้อง อ, งองให้รู้ทันแต่ถ้าตรงที่ไปจงใจวางนะมันเป็นสมถะกลายเป็นสมถะแล้วเป็นการดัดแปลงให้รู้อย่าดัดแปลง เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่เคยกลางซะทีอะครับไม่ต้องกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางรู้ไปด้วยกลางไม่กลางเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราใจถึงถึงนะถ้าใจถึงแล้วเป็นกลางง่ายแต่ว่าจะบอกความจริงให้อย่างหนึ่งถึงเป็นพระอนาคานะก็ยังไม่กลางหรอกเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าไม่เป็นกลางนะมันกลางกับอันนี้เดี๋ยวมันไปเจออีกอันหนึ่งประณีตขึ้นไปอีกมันก็ไม่กลางละ ตอนนี้ตอนนี้ที่ดูอยู่พาใช้ได้แล้วดีด้วยซ้ําไปรู้สึกไปนักวิชการหลวงพ่อครับไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาดีดีขึ้นไหมครับดีขึ้นแต่ลดการบังคับลงอีกนิดหนึ่งนะอย่างแข็งเกินไปนิดหนึ่งหลังหลังมีสติรู้ตัวบ่อยขึ้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถูกรู้รู้จักที่ฟังซีดีหลวงพ่อคือคือใส่ทั้งวันเออฟังไปเรื่อยๆใช้วิธีนี้ก็ได้ใช่ไมใช่ด้ฟังแล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นมันค่อยรู้เองครับจิตใจไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกไหม เออนั่นแหละใครมาเรียนกับหลวงพ่อนะต้องร้องเพลงว่าไม่เหมือนเดิมหลังๆไม่ทราบว่าปฏิบัติทีไรหรือเปล่าครับรู้สึกว่าพอเจอกุศลแล้วอยากร้องไห้อย่างเดียวเลยฮะเจออะไรนะเจออะไรที่เป็นกุศลนะครับคนพูดดีๆหรือว่ายังว่นเช้าเห็นหลวงพ่อก็จะร้องไห้ตลอดเลยก็ให้รู้ทันว่าจิตมีปีติแต่ไม่ได้ผิดอะไรแค่รู้ว่ามีปีติก็พอมันมีปีติก็ไม่ห้ามมันนะอมันอยากร้องก็ร้องไปแต่เราก็เฝ้าดูไปขอบคุณครับ สักพักหนึ่งคนก็ไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะหรือว่าค่ะก็ปฏิบัติมาก็รู้สึกดีขึ้นค่ะเพราะว่าพอเรามันรู้ตัวปุ๊บเนี่ยมันจะหัวล้ออะค่ะมันจะขาว่าเอ้ยเรารู้แล้วนะแล้วก็ก็ตามรู้ไปอะค่ะแต่เขายังมีปัญหาตรงที่ว่ามันชอบไปคุกอยู่กับคุกอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นนะคะอก็พยายามตามรู้ให้ได้อะค่ะดีแล้วดีค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็เพราะวันนี้คุณแม่มาด้วยค่ะ น้องปฏิบัติมาห้าครั้งแล้วคุณแม่ไม่เคยมาเลยพอหนูก็เริ่มปฏิบัติเรื่อยๆที่คุณแม่ขอตามมาเองเลยค่ะทำกับข้าวตามมาสามสี่ครั้งแล้วค่ะอืมดีแล้วค่ะขอบคุณค่ะหลายคนนะที่แรกมาภาวนาเนี่ยคนที่บ้านไม่ไว้วางใจก็มีนะหลวพ่อเคยเจอนะมีผู้หญิงคนนึงอยู่บองการนะมาภาวนาสามีไม่ไว้ใจหรอกนี่พระอะไรมันหลอกอะไรหรือเปล่าวะทําไมที่วัดนี้ไม่มีช่อฟ้า เนี่ยดูเหมือนวัดมันประเมิอนด้วยชอบฟ้าเสร็จแล้วพอภรรยามาภาวนาไปนานๆนะเอ๊ะเมียเราทำไมดูใจเย็นเมื่อก่อนขี้บน่นบางทีมือวายใจเร็วไม่บ่นอย่างเดียวแต่หลังๆนี่นะหน้าตาชักผองใส่ดูสาวขึ้นดูเด็กขึ้นดูสวยขึ้นด้วยนี่ใสยใจคอก็ดูดีขึ้นเลยสงสัยว่าโดนสะกดจิตหรือเปล่า มาดูก็มีนะมาดูมาตามมาแล้วก็มาฟังฟังฟั ง, ฟงเข้าใจเข้าใจหลายบ้านนะที่มาอย่อยางเงี้ยมาทีแรกมาคนหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาบางคนฉลาดนะเอาซีดีหลวงพ่อไปพอขึ้นรถปุ๊บเสียบเลยเปิดคนที่นั่งอยู่ด้วยอยากฟังไม่อยากฟั ง, ไ ม, ฟงไม่รู้อะมันฟังไปเรื่อยๆวันหนใจเขาตื่นขึ้นมา ปรากฏว่าบางคนเนี่ยไอคนที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยนะไม่ได้เจตนาฟังเนี่ยภาวานาดีกว่าคนที่ตั้งใจฟังเพราะะไรนั้นบังคับไม่เลิกอยู่วัดก็มีแปลกๆนะคุณมารีเนี่ยต้องร้องทุกข์กับเมียตำรวจ <c oughs> เมื่อวานสื่อ น, นี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งมาขอเข้ามาหลวงพ่อบ้านอยู่แถวแถวเนี้ยนั่งรถผ่านไปผ่านมาเอ๊วัดอะไรว่ามีวันหยุดด้วยมีเวลาเปิดเวลาปิด สงสัยว่าสมพานมันจะขายยาเสพติดดูว่าดูทำไมมันสงสัยอย่างนั้นมีเวลาเปิดปิดก็มีขายยาเสพติดคงคงปิดแล้วไปขายยาเสพติดนั่ฝึกไปนะให้มันมีความสุขกรมบนมัศ ก, กาลหลวงพ่อค่ะคือช่วงประมาณ20นาทีที่แล้วเนี่ยรู้สึกง่วงเหงาหา่นอน ซึมๆอาหารนั้นย่อยแล้วล่ะแต่คือคือคือรู้นะคะแต่ว่ามันมันดับยากจังเลยคุไม่ไม่ดับนะมันไม่ไม่มีกำลังไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ฝึกให้ดับนะฝึกให้รู้ตามที่มันเป็นอย่างร่างกายเราเนี่ยสมว่าเรากินข้าวมาแล้วมันซึมไปเนี่ยนะให้รู้ว่าซึมไม่ใช่ให้อยากหายซึมนะถ้าอยากหายซึมแล้วพยายามฝืนฝืนเดี๋ยวปวดหัวมันซึมรู้ว่าซึมไป คือถ้าเรารู้ทันนี่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดับทันทีใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องทางกายไม่ดับโอ้ถึงว่าสิคะถ้า<ะ>เป็นเรื่องทางใจที่เป็นกิเลสถึงจะดับถ้าไม่ใช่กิเลสก็ไม่ดับ อ, อย่างจิตใจเรามีความสุขเนี่ยฟังธรรมะแล้วมีความสุขเราก็รู้อยู่อย่างเงี้ยความสุขไม่จําเป็นต้องหายเพราะความสุขเป็นเวทนาอยู่ในเวทนาขันไม่ใช่กิเลสเนะฉพาะกิเลสเท่านั้นแหะที่พอมีสติแล้วมันดับ ใช่หนูแปลกใจมากเลยว่าเออทําไมอาการง่วงเหงานี้มันเป็นมาตลอดเลยมันรู้รก็รู้นะคะแต่ทําไมมันไม่หายต้องกินข้าวน้อย <laughs> <laughs> หนหลวงพ่อฮะคือหนูฝึกมาประมาณหเดือนช่วงแรกๆนี่ดูจิตอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ประมาณเดือนที่สามเนี่ยมีคนมาสอนเรื่องเรื่องให้ดูดูกายด้วยแล้วทันนี้หนูก็รู้สึกว่าเออดูกายรู้สึกช่วงนี้มันจะเป็นประมาณว่า ดูพอๆกันเลยค่ะมันมันโอเคไหมคะคือหรือว่าโอเคหรือไม่โอเคอยู่ที่ว่าสติมันไปรู้อะไรคือรู้สึกมันจะมาดูกายเยอะมากอะคแล้วก็รู้กายไปแต่อย่าให้เพ่งกายก็แล้วกันระวังอย่าไปเพ่งกายให้รู้กายไม่ให้เพ่งกายให้รู้จิตไม่ให้เพ่งจิตเวลาเพ่งแล้วใจจะทื่อๆขึ้นมา แล้วอย่างเ อ, อริยาบทที่ที่เราเราต้องรู้ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เดินหรือนังนงนงน่งนั่่งเนี่ยมันจะซึมซึมนะคะใช่เราก็ไปเดินน้องอันไหนที่ทําแล้วสติเกิดก็อ่านนั้นแหละแต่สตินะไม่ใช่เพ่งนะเกือบร้อยลร้อยของนักปฏิบัติชอบเพ่ง อ, อย่างเดินจงกรมนะเพ่งร่างกายเพ่งขาเพ่งอะไรเงี้ยใจก็นิ่งๆทื่อๆเป็นสมถะอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมนิดนึงเนี่หัดรู้ไป มีอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมคะรู้ให้เยอะๆไหมคิดให้น้อยๆแล้วอย่าฟังคนอื่นมากเดี๋ยวมันพาเราเปหมดก็ไม่ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะศึกษาที่ตัวเองศึกษากายศึกษานังสือนังหาก็ลดลดลงนะคะรู้สึกจะอ่านเยอะค่ะลดลงไปแล้วดูของจริงให้เยอะๆเวลาเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องการพักผ่อนก็ไปอ่านหนังสือธรรมะอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่อ่านทั้งวันนะ งานหลักของเราคือรู้กายรู้ใจนี่ไปส่งตอขอบพระคุณค่ะอา้าวคุณเบนวันนี้เป็นไง ว, วันนี้ง่วงนอนอแล้วไงอีกเป็นกลางไหมไม่เป็นไม่เป็นกลางใช้ได้ตัวนี้ดีไม่ใช่ดีที่ไม่เป็นกลางนะบางคนสงสัยดีที่รู้ว่าไม่เป็นกลางหลวงพ่อพูดสั้นนิดหนึ่งไม่ได้เลยจับผิด อา่าไปนมาส ก, การหลวงพ่อครับก็เมื่อกี้ตอนไม่อยู่แถวหน้ารู้สึกตื่นเต้นมากพอไมมาถึงตัวเองก็ตื่นเต้นน้อยลงนิดหนึ่งอ่าทองอย่างนั้นก็ตั้งแต่ไปหาไปฟังหลวงพ่อที่สารลงชินมาเมื่อสามเดือนที่แล้วครับจนมาถึงวันนี้ก็หัดรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีปฏิบัติตามรูปแบบบ้างตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับแล้วก็มีโมหะบ่อยครับอืครับ แล้วสังเกตไหมจิตใจเราเปลี่ยนแปลงบ้างไหมส3มเดือนนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็ยนยังไงพยายามจะหัดรู้ให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีแต่ว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ง่วงมากแล้วก็อ่อนเพลียรู้สึกอ่อนเพลียผิดปกติครับพยายามจะแก้ก็ไม่หายก็เลยไม่ต้องไปแก้มันไม่ต้องแก้มันนะแต่ดูว่าเป็นทางร่างกายหรือเปล่าต้องดูด้วยนะครับค บ, บางคนนั่งภาวนาแล้วหัวใจทุบ สงสัยภาวานาผิดความจริงหัวใจจะวายพูเรื่องนะั้นอะไรอะไรก็ยกไว้เป็นเรื่องภาวานาหมดะนะบางทีก็ต้องไปถามหมอเหมือนกันครับอีกนิดหนึ่งครับก็ปฏิบัติตามรูปแบบบ้างครับแต่แต่น้อยมากครับก็มีอะไรที่หลวงพ่อชั้นแนะนําเพิ่มเติมไหมครับก็ฝึกนะจนเป็นธรรมชาติเลยนะเวลาความรู้สึกอะไรเกิดแล้วค่อยตามรู้เอาอย่าไปดักรู้ให้มันความรู้สึกเกิดก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้เอาแล้วใจจะโล่งๆสบาย ให้ฝึกไปเรื่อยตามรู้ไป เ, เรื่อยๆขอบพระคุณครับตอนนี้ติงเต้นอีกนิดนึงเดี๋ยวไม้ไปคงจะหายครับเนี่ยตอนส่งไมเไ้เห็นไหยเผลอไปแล้วเห็นไหมเราเผลอไปนมัสการหลวงพ่อครับเท่าที่ผ่านมาก็ตามรู้ตามดูไปีย่ยบางครั้งพอรู้ตัวว่าเริ่มเพ่งก็จะใช้วิธีสูตรลมหายใจลึกๆแล้วก็นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าครับให้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็กลับมาดูอีกทีนใช้ได้ใช้ได้ฉลาด แต่ว่ า, วามีบางครั้งที่ผมยังสงสัยนะอย่างตอนนี้ก็เริ่มสงสัยนิดนึงครับว่าพอฟังซีหลวงพ่อเห็นมีเพื่อนเพื่อนๆที่เขารายงานว่าเวลาดูจิตจะเห็นจิตเป็นรูปร่างต่างๆก็มไม่มีนะจิตไม่มีรูปร่างนะเ อ, อ็มบอกเป็นก้อนเป็นอะไรนี้ผมไม่ไม่้นแค <laughs> ่ความรู้สึกครับเป็นแค่ความรู้สึกนะไม่ได้เป็นรูปร่างแสงสีจิตไม่มีรูปร่างแสงสีอะไรครับแล้วอยากจะรบกวนหลวงพ่อนิดนึงครช่วงนี้ต้องมีอะไรเพิ่มเติมป่ะครับ เก่งขึ้นเยอะแล้วใช้ได้ ร, รู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเดิมแล้วครับรู้สึกมันจะเบาขึ้นลนะตลอดนี้เห็นแม่บอกแล้วเรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อ น, นะแป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวก็เปลี่ยนแปลงโดยรู้ได้ด้วยตัวเองอะ่ะมันมีพัฒนาการที่เห็นได้จากคนที่เผลอตลอดเวลาแล้วไม่รู้ตัวว่าเผลอกลายเป็นคนที่รู้ว่าเผลอทั้งวันเลยต่อมาก็จะรู้ว่าเผลอบ่อยๆเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอต่อมาก็เห็นอีกใจเดี๋ยวก็เป็นกลางเดี๋ยวก็ไม่เป็นกลางนะ ใจค่อยโปร่งขึ้นปร่งขึ้นนะใจเคยมืดเคยมัวก็สว่างสวัยขึ้นโล่งโล่งปงโปร่งขึ้นเคยเผลอยาวก็สั้นลงอะไรเงี้ยกิเลสเคยแรงแรงตอนนี้ไปนี้กิเลสไหวแวบเข้ามาสติก็เห็นแล้วกิเลสดับไปกิเลสก็ไม่แรงเนี่ยมันมีพัฒนาการที่เรารู้ได้ตัวเองแล้วเราก็จะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นแล้วสิใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละเห็นได้แล้วตอนเนี้ย แล้วก็เห็นไหมความสุขความทุกข์คือตัวเวทนาไม่ใช่ตัวเราเห็นแล้วละ่ะจิตเดินถึงตรงนี้แล้วก็คุณก็เห็นแล้วว่าโลภโกรนหลงไม่ใช่ตัวเราใช่ครับนั่นแหละตัวเราไม่มีนะดูไปเรื่อยๆมันจะถอดถอนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปจนหมดเลยไม่มีตัวเราเหลืออยู่เลยพอหมดความเป็นตัวเราแน่นอนนะใจไม่ลังเลสงสัยตรงนี้ก็เป็นพระโสดาบันขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับภาวนาเก่งๆเยอะนะโยมเดี๋ยวนี้ นคนลบบุรีเอวันนี้จิตมีโมหะค่ะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเห็นอาการไหวได้เป็นพักๆแต่ไม่ได้ตลอดหรือยั ง, อยงติดเพ่งอยู่อย่างเพ่งนิดหนึ่งแล้วก็หนุ่ไม่แน่ใจค่ะมันมีอะไรอยู่แถวเนี้ยกับตรงเนี้ยค่ะเราเพ่งไว้เป็นผลจากการเพ่งไปตรึงความรู้สึกไว้ตรึงไว้ก็นิ่งๆ น, น, นิดนึงบางคนก็ไปอยู่ที่ลูกตาอะไรอย่างเงา คนเพ่งไว้ท้ายทอยคนอยู่กลางหน้าผากแล้วแต่จะเพ่งหนูไม่รู้วิธีคลายมันออกค่ะลืมลืมมันไปไม่สนใจมันออกมากระทบโลกนี้กระทบแล้วเกิดความรู้สึกแล้วค่อยรู้เอามันเกิดจากการจงใจปฏิบัติถ้าตราบใดที่ยังจงใจอ ย, อยู่คลายไม่ออกอะ่ะถ้าลืมลืมไปเลยหลุดเลยทีเดียวคือ หลวงพ่อเขาไม่หนูไม่แน่ใจว่าหนูเห็นผิดหรือเปล่าแต่ว่าสภาวะเพ่งอะคะ่ะในในความเพ่งเนี่ยมันมีสภาวะอะไรที่มันอยู่รวมกันอยู่สองสาอันถ้าบางวันถ้าเห็นมันแล้วเห็นแล้วมันดับไปทีละอันอทีละอันทีละอันในที่สุดเพ่งมันจะหายไปอืมัมนคล้ายๆเราไปเราเพ่งไม่เป็นก้อนเนี่ยนะมันค่อยดับทีละส่วนก็แค่รู้เท่านั้นนะไม่ใช่พยายามไปดับทีละส่วนไปแค่รู้ไปมันดับก็ดับไม่ดับก็ชั่งมัน พอไปดีใจมันก็กลับมาเพ่งใหม่เลยเรียบร<ช>้อยเลยค่ะลืมลืมมันไปไงถึงบอกว่าต้องลืมๆ ม, ม, มันถึงเลิกเพ่ง อ, อ่ะได้อีกคนนึงสองคนเชิญเชิญ อ, อ, อยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติกําลังปฏิบัติอยู่นี้นะค ะ, อ, ะอยู่ในทางถูกทางหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองรู้สึกย่ําอยู่กับที่ตลอดยม <ง S 2> เ, <ล>เห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสถ้าเห็นกิเลสใช้ได้ล้นะให้เรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเรารู้ไปเรื่อยๆ พอกิเลสเกิดขึ้นก็รู้โลภโกรดหลงเกิดแล้วรู้ไปเรื่อยๆ ร, รู้แล้วไม่ทําอะไรมันรู้แล้วนั่งดูมันเหมือนเราเห็นคนอื่นโกรธเห็นคนอื่นโลภเห็นคนอื่นลหนนนลงดูมันไปเหมือนเราดูคนอื่นไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ต้องฝึกอะไรเยอะหรอกบฝึกรู้ทันกิเลสที่เกิดข<ๆ>ึ้เนเห็นกิเลสขึ้นแล้วก็เหมือนกับเห็นคนอื่นเห็นคนอื่นโกรธเห็นคนอื่นหลงเห็นคนอื่นโลภอะไรเงี้ยดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆฝึกแค่นั้นก็พอแล้ว อ้าวอวิลาก็ก่อนหน้านี้มันจะเริ่มช่วยโอกาสมาภาวนาได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเดินเดินไปแล้วหลงทางก็รู้สึกว่ามันต้องเดินไปอีกไกลเลยเพื่อจะไปรอรถเนี่ยค่ะก็เฉวยโอกาสนั้นเดินจงกรมไปเลยมันต้องอย่างนั้นสิค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนมี ปฏิฆะคะคือมันโทสะก็ไม่ใช่แต่มันเป็นขุนเล็กๆอ แ, แ, แล้วดูแล้วมันดูยากมันก็ไม่ค่อยหายไม่ต้องหะะให้หายน ะ, ะที่อยากให้หายนะ่ะทําให้มันไม่หายตรงที่อยากให้หายนะั่นแหละโทสะอ๋อค่ะก็คือแต่พอแต่พอเห็นว่ามันโทสะแล้วพอมันจางไปมันก็เป็นปฏิฆะขุนๆมาอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีโทสะจริตยืนพื้นไหมล้วก็ดูไปเรื่อยๆ ตัวสาดีนะดูง่ายค่ะ่ะได้แค่นี้นะเชิญโยมกลับบ้าน